ด้วยศาสนาของผู้ชมพุทธศาสนาแบบนี้พุทธตัวว่าตัวปณิวตัวปัญญาอย่างนี้เข้าไปถึงจิตใจหรือรูปกานี่มันไม่เป็นคุดขันนี้เลยเข้าเข้าไป่างนี้อันนี้พุทธแบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้บลุดานนะาเข้าไปอย่างนี้คําว่าลูดโลกนูดคนเราโผล่ขึ้นมาแล้วจําติมตั้งมีอจุดเหง้าปวดท้องจุดทห้งจุด หมดเหน่อยเมื่อน้ามีทุกอันนี้เรีว่าทุกทางายแต่ทุกทางใจนั้นคิดบางคนอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่มีวิธีหรือไม่เข้าใจก็ไม่ได้ถ้าทุกทางายนี้เราบีดหามีนี่ของหนักตัพท่งบงก็เบาขึ้นมาทันอันส่วนจิตใจมันทุกมันหนักนีงเราไม่มีวิธีก็ และไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะมองเห็นโดยตาและไม่สามารถที่จะสัมผัส ไ, ได้โดยมืออันนี้ต้องอาใส่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าด้่ยว่จนโลลมติตตนเองดังนั้นวิธีที่พูดให้ฟังมาตั้งแต่ต้นมาถึงที่ว่าให้ทำลายโทสะโนหะโมฆะได้นี่หมายถึง เมื่อเราเห็นโสภะโมหโลภะก็ต้องเห็นวัตถุเห็นปรามาัดเห็นอาการคํคว่าวัตถุหมายถึงของที่มีแล้วในคนทุกคนปรามัติก็หมายถึงกาลังสัมผัสกําลังเป็นอยู่อยู่ในขณะนั้นคำว่า อ, อาการก็หมายถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตใจหรือสติปัญญาเนี่ยจะอย่างนั้นเมื่อเราเห็น เราเป็นเรามีเรารู้เราเข้าใจเราก็สลัดออกบายหลวกมักเป็นข่อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความแบบทุกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจอย่างนี้ค น, นเรามันมีตามีหูมีกายมีใจเรียกว่าอันนี้มันเป็นลูกภายนอกแต่ส่วนลูกภายในคือนามรูป า ม, มามะลูกคือนามลูกมันเองคือเราจะเห็นว่าเวทนาสัญญาสังขารดวงญาณเรียกว่าลูกตีไม่เต็นลูกห้าเอาลูกห้าคือขันห้าเข้าไปก็เอาลูกเข้าไปขันห้าเขาเรียกว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารดวงญาณนูกเขาเรียกว่าขันห้าลูกคงเป็นลูกเวทนาสัญญาสังขารดวงญาณเป็นนามทันเพราว่าอย่างนี้ แบบนี้อาตมาจะนํามาเล่าให้ญาติโยมฟังอีกเพื่อทำ功德เวทนาเป็นขันธ์ขันหนึ่งสัญญาเป็นขันธ์ขันหนึ่งฝังฐานเป็นขันธ์ขันหนึ่งวิญญาณเป็นขันธ์ขันธ์หนึ่งที่ขันนี้แหละขันตัว่าลองรับถ้าขันเราไม่รับแล้วเทวโมหะก็ไม่มาปรุงได้เวทนาก็เป็นสุข ถ้าหากขันเราลองรับแล้วเวทนาเข้ามาอยู่เโทสะโมหะโลภเข้ามาอยู่ในเวทนานันเวทนานันก็เป็นทุกข์ถ้าหากว่าเวทนาขันไม่มีอยู่ไม่ลองรับเวทนาไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ก็เรียกว่าสวยสวยเวทนาสวยสวยเวทนาสุขในตำราเขาพูดอย่างนั้นแต่ว่าเราต้องปฏิบัติให้หงแ้งลู่จึงิง สาภาวะธรรมที่มีสิ่งจริงสปัญญาก็มีเหมือนกันสัญญาก็หมายถึงความรู้และจําได้เนี่ยสังขารก็ปรุงแตง่งวิญญาณก็รู้อันนี้เป็นขันเหมือนกันถ้าขันตูขันนู้ไม่ลองรับแล้วส่วนโวทนาปัญญาสังขารวิญญาณไม่เป็นทุกเลยอันนี้เรียกว่าเป็นเทวดาได้เพราะว่า โลนาไม่ทุ ก, ทกข์ปัญญาไม่ทุกข์สังขารไม่ทุกข์ิญญาไม่ทุกข์เต่มูกายนี้มีเหมือนเดมิมอันนี้บรอะความสุขลรกความไม่มีทุกข์ทางใจต้องเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ยังปฏิบัติต่อไปอันนี้ที่พูดมาเนี่ยรียกว่ารับรองได้ว่าเป็นปฐมฌานหันต้นจริงๆนะโยกตอนนี้ ต่อไปผู้ศรัทธาต้องมองดูจิตใจที่มันเป็นอารมณ์เป็นขั้นเป็นตอนคือมักเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถุงควบัแบบกี้เมื่อเราเอาสติมาดูที่ตรงนี้แหละมันจะเข้ามาเห็นอ น, นิจจ์เป็นผลของการเดินทางแล้วก็มาดูจิตใจเหมือนเดิมไปดูไปอย่างนั้นแนอะดูบ่อยๆทาให้ความเคยชินความคล่องแคล่วว่องไว ขอะสติปัญญาแล้วมันจะรู้จะเข้าใจเห็นเฉียนแฉงจะรู้เข้าใจไม่เห็นอีกอย่างที่พูดแล้วอะต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจต้องสัมผัสได้รึเว่าวัตถุปรมัตอาการตัวนี้ก็เหมือนกันคือวัตถุของที่มีอยู่แล้วคือกิเลสปัญหาอุปทานกรรมมีอยู่แล้ววัตถุแปลว่าอนนี้แหละปรามะปรามะถือตัวสติ ตัวปัญญากำลังยังรู้เห็นเข้าใจสัมผัสได้มีเป็นอย่างนี้จริงๆอ่านมันบวกว่าปารม a m a อาการหมายถึงกิเลสปัญหาอุปทานจะไม่ยุดมั่นถือมั่นกรรมเป็นของเรากรรมแ ป, วปวลว่าโวยนิวีบากับเวทนาเป็นตัวดียวกันเกิดส่วนซื้เท่านั้นนี ในตำหนักตำลาบอกว่าสิงเป็นเครื่วงกำจัดกิเลสอย่างยาวสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลออสเเ อ, เลอย่างกา่างปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดมันต้องกำจัดเป็นตามระดับระดับขั้นตอนของมันจึงมีในตำลาและเจตีอาจารย์ได้เขียนเอาไวา้ว่าปมฐมฌาน อันตัวที่สองพูดมานี่เป็นผูสิกัทานภูสิกัญทานปฏุทฐ า, านยังไม่ได้พูดถึงเพราะว่าวันนี้พอรู้สึกว่าพูดมานานพอสมควรแล้วนะโยมจะพูดต่อไปหรือว่าหาวเขาขนี้พอได้หรื อ, อยังไงแต่ถ้าหังจตักพอเขหยุดกณะนเพียงแค่นี้บัดนี้อาตมา ความเด้อดดาลโยมานั่งฟังธรรมะยุนาีินิอาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำต้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและคุณของพระลันตาสาวกพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพรอมด้วยคุณของพระศีอริยะเมตไตรที่จะมาตัดสรุปายข้างหน้านี้และสินทานภาวนาของญาติโยมได้สร้างสมอบรมมาตั้งแต่นานแล้ว ขอให้มาเป็นเค่องสกัดกัน้นหรือมาประจิตจิตใจของญาติโยมให้ได้พบได้เหมเข้าใจลูกแย่เห็นจริงในชีวิตนี้ขอให้ญาติโยมทุกๆคนจงได้พบความสะอาดความสว่างความสงบที่จิตใจของญาติโยมมีเรียวนั้นทรงทุกข์ทนเทอมพัฒนาธรรมะหรือว่าเป็นการศึกษา โดยคำความก็ใส่ขวดกระเรื่องศาสนาแล้วก็ขวดกระเบื้องพุทธศาสนาโดยการสาบเรียนถามหลวงพอ่อเทีนพิปัฒนพิแห่งสำนักวัดสานาใมในอุทรวังโคลงจังหวัดนนทบุรีวันที่12พฤษภาคม2522เรื 2, ่องปัญหาต่างๆนี้ก็เป็นปัญหาส่วนมากเท่าคน เราส่วนมากก็สงสัยกันรือว่ายังไม่เข้าใจกันให้ถูกต้องเกี่วกับเรื่วงการทําบุญให้ทานบ้างการรักษาศูนย์บ้างเป็นตลาทถึงการทําสมาธิภาวนาหรือศาสนากรรมฐานที่ อ, อยากจะฝากเรียนหลงพ่อเป็นพ้อพ่อหรือว่าเป็นขั้นตอนให้หลวงพอได้อธิบายความหมายตามควนมจุดฝนหรือว่าตามความเข้าใจถูกต้องจะไปใช้ในชีวิตประจาวันนั่ ปัญหาแรกก็เกี่ยวกับเรื่องการทําบุญให้ทานานะครับหลวงพ่อการทําบุญให้ทานในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องนั้นจะทํากรรมยังไรเ อ, อเรื่องนี้ก็ต้องพยานทำความเข้าใจในการศึกษาครับต้องศึกษาให้รู้จักว่าศาสนากับพุทธศาสนานนั้นต่างกันอย่างไรคำว่าศาสนาหมายถึงอะไรพุทธศาสนาหมายถึงอะไรอย่างนี้ กอนนะครับอ๋อหมายถึงว่าคำว่าพุทธศาสนากับคำว่าศาสนาเนี่มันต่างกันนะครับต่างกันครับไม่ไม่เหมือนกันครับตารความเข้าใจของท่านคมเห็นอย่างไงที่ทำทำาครับครับคือคนส่วนมากเท่ากับว่าพำว่าศาสนาหรือโดยเฉพาะในเมืองไทยของเราเนี่ยหรือว่าพุทธศาสนานี่ก็คงจะเหมือนเหมือนกันหมดครับอาบุญให้ทานอะไรก็คงจะเหมือนกันหมดเราทานองนี้เออเข้าใจอย่างนั้นครับไม่ครับตัว ตัวศาสนากับตัวพุทธศาสนานั้นไม่เหมือนกันคงจะเคยได้ยินได้ฟังมาคำว่าศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้พุทธศาสนาพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นที่บทบาลได้ทรนฟังคำสอนคานี้แล้วมันจะไม่เหมือนกันนะครับว่าเขาจะว่าศาสนานั้นคือวทั่วไปจับเป็นคนไทยคนจีนคนฝลั่งอังกฤษคนอเมริกาคนเขเมรยวนลาฟาตาน หรือจะเป็นศาสนาพร า, า, าหมศาสนาฮินดูศาสนาชุกศาสนาอิสลามศาสนาไหนก็ตามเขามีการให้ทานทั้งนั้นครับก็คนต้องการบุญครับแตว่าพุทธศาสานาไม่อย่างนั้นศึทาาษาแปลว่าศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงโดยไม่ต้องแวกติดอะไรทั้งหมดอย่างนี้นครับเข้าใจไหมครับใช่ตอนการทําบุญพระพุทธคศาสานาหนี่งจะทำอยังไรจึงจะถูกต้องว่าทาว่าบุญนี้เสีย เในทางคุตตสการณ์นั่นคือการทำบุญมีฝังตักโทษครับคือขั้นแรกคนเรามันไม่เข้าใจก็ต้องให้เขาพยายามพูดให้เขาเข้าใจเหมือนกับต้นไม้ครับต้นไม้มันตามปกติต้อมีเปลือกครับแล้มีกิ่งของมันแล้วมีแกนของมันแล้แก็มีเกนแท้ของไม้คุตตสการณ์นั้นต้องรู้จักระบุคคลผู้ที่ยังปัญญาปอนนะครับ ต้องพยายามแนะนําเขาให้ทําบุญให้ทานรักษาศีอย่างนี้นะ่ะคือให้เขาเสียสละเมื่อเขาเสียสละมากๆเขาจะได้มีความสุขคือเขาจะไม่ได้สงวนตัวว่าเนของครูมี่เป็นของเขาแย่างนเขาจะได้พยายามทำให้เขาสบายใจความสบายใจนั้นเรียกว่าบุญครับแต่ยังไม่ได้เป็นปีตินะครับเป็นเพียงความสบายเท่านั้นนะครับ เติมพุทธศาสนานั้นต้องมาจัดการภายในจิตใจเป็นยังไงการทําบุญอในพุทธศาสตร์ปันมันมีหลายขั้นตอนใช่ไหมครับเพหลายขั้นตอนเหมือนกับที่ผมไปอุปมาให้ท่านฟังเราเหมือนกับต้นไม้มันมีเปลือกแล้วมีกระดูกแล้วก็มีกวนแล้วก็มีกวนแต่ฉพาะเจ้าจงของไม้มันต้องมีนะครับแต่เฉพาะทุกวันนี้ผมก็ ไปหลายจังหวัดเหมือนกันดูว่าคนไทยอนี้ครับแล้วก็ส่วนมากนะครับไม่สชกคนนะก็ทําบุญเพียงรู้แต่เพียงว่าทําบุญให้ทานสองประเด็นเท่านั้นตัวส่วนธรรมสมถะกรรมฐ า, านหรือรูปปัตนานั้นดูเห็นนะ้อยตัวบางที่ทำแล้วก็ยังไม่เข้าใจตัวหนึเป็นจำนว น, อนอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับตรงนี้อันนี้เออ่อง ม, มีคนหลายคนสงสัวย ว, ว่ามันเรื่การทําบุญให้ทาง ว่าคนส่วนมากได้ยงินได้ตางมาว่าทำบุญไว้มากๆแล้วคนที่ทำบุญมากๆแล้วตายจากชาตินี้แต่เราจะไปเกิดบนสวรรค์ชาติหน้าอย่างนี้ยิ่งเลยครับังเอิญันนั้นเป็นการคัดกันเรื่องนี้เขามีกรแล้วครับนี่ไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาครับเรื่องที่คุณถามอันนี้เป็นศาสนาธรรมที่เขาทำกันมานคนเนี่ยคนไมุทิตโรสนะครับเขาไม่รู้ยิ่งเห็นชิงทัน คงจะเคย็ด้ยินได้ฟังมาในสมัยครังพิเศเจ้าไม่ใช่ครัพิเศเจ้านะคุณต้องเข้าใจคำนี้ให้ได้ในสมัยเมื่อเจ้าชายกฤษฎาคุณมาโกิขึ้นมาเขาไปเตือนทางมาจํานวนร้อยกอ่คนนะก็มีการกินเลี้ยงยุบา ก, การกินเลี้ยงด้วยการทําบุญการให้ทานคําเดียวกันนะครับตอนนี้เด็กกินเลี้ยงคือเพื่อแ่งงานอีกเรื่องอันนี้เขาบริาการทําบุญอันนี้เขามีค่อนแล้วครับเ่องนี้ไม่ใช่คน พุทธศาตา่นะก็มีความสงสัยลังเลกันอยู่อ่นั้นเนี่ยเมืเ่อจักศาสตศานาไหนก่อตามขาว่าธรรมบุญมากๆต า, ายแล้วไปสู่สวรรค์อันนี้เขามีก่อนแล้วต่ไม่ใช่เป็นคำสอนของพระเจ้านะ่ครับอ่เป็นอันนี้ตอนไม่ไ้เป็นค ำ, อนนคำสรรอ น, ใ น, ในสรรของพระพุทธศาสนาโดยของพระุู้เจ้ช่างไม่ครับเป็นว่าเป็นปบบระเพณีมาบดิมๆด้วยน่เองคต่อบ่อนมาเั้นอสอนให้คนละทั่วทำดีแค่นั้นเองครับตรงนี้ครับอสังคม สังคมดีได้กกเพราะการเสียสลากเท น, นั้นเองครับแบอันนี้ก็เป็นอุบายเท่านั้นเองที่มันแบเป็นปบายค น, นทำเป็นงานความดีขึ้นการละทันแต่ว่าตามตามเข้าใจก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะทาแล้วให้ทำนั่งๆแล้วจะไปเปิดเป็นสวรรค์ธาตหน้าอันนี้ก็ว่าเอาเองใช่ไหมเอคนัยนั่นที่เขาไม่รู้จรินะครับคือเป็นการคาดทีดบนดาเอาด้วยว่า พวกพามนะครับเขามีปัญญาคืนนี้โหราศาสตร์ครับคือมีการทํานายทาย่ายทักเขาทํากันอย่างนั้นครับแต่ว่าแก้ปัญหาความจริงไม่ได้คือมีการคาดคุดในนังสือกลามสูตรเนี่ยตข้อ่อบว่าอย่าพึ่งชั่อตาลาอย่าพึ่งชั่วที่เห็นเขาทําการกันมาอย่าพึ่งชื่วเห็นเขาเล่าลือกันมาแม้กระสั่งติดพ่อครับถ้าอย่านั้นผมอยากจะจับเวนทางเมื่อวานอยูจะจะ่ตรงที่ว่า ถาวงั้นเขาทําบุญกันทําไมให้ทานให้เอะไรพื่ออะไรกันเนี่ตามสุดมุ่งหมายจริงๆอืมช่างเรื่องนี้คนไม่เข้าใจครับคือไม่เข้าใจเขานึ่ไกลเหมือนกันกับเราครับในสมัยที่เขายังไม่รู้เขาต้องการคนาสุขคือเขาต้องการบุญแต่ว่าเคยได้ยินเมื่อเม่สือผมก็เคยได้ยินว่าทาผู่ใดทําบุญให้ทานมากๆตายแล้วไปเกิสวรรค์นอกจากเป็นเทวดาเล่าเป็น ในเมื่อ ว, วันได้ปตรวจเมืองสวรรค์เป็นเทวดาก็จะได้มีบริวารมากๆคือคำว่าบริวารเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้เลยครับคือจะได้เหนยมากว่าอย่างนั้นก็ได้ครับตรวจผู้อยู่มันไม่เข้าใจผู้ยิงคนเมืองไท ย, ยจะเป็นคนไหนก็ตามมันไม่เข้าใจครับเนื่อว่าผู้ถายคนมีกีิเลสนะครับตัวปตรวจเมปปืองสวรรค์มันก็ได้มีทั้งน้อยทั้งพันเขามีกีเิเลสเขาไม่รู้จักเขาก็เลยอยากไปตามกิเลสนั่นก็เลยเจ้าสอน ไม่ได้สอนอย่างนั้นอันนี้เขามีกองมาเพื่คนที่ไม่เข้าใจก็อยากไปศึกในกลางวันนี้จะถามคุณนะให้คุณเข้าใจอย่างนี้ถ้าหากว่าสมมุติคุณเป็นผู้ชายนะคร<ะ>ับถ้ามีครอบครัวนะถ้าติดไปบางทีคุณอาจจะติดไปมีครอบครัวก็ได้น ะ, ะถ้าคนมีเมียคนหลียวไม่ทุกข์ผ่ายกันไหครับ<ะ>ถ้าเอาสองเนจะมีคนทุกไหมก็ดือนร้อนครับเอาทุกคนเอาคุกเดือนร้อยุ่งเหยู่นะวันน<ะ>ี<ะ>้ บารบุผู้หญิงบ่นเหนีถ้าผู้หญิงมีมีผู้ตายในโลกคนคนเดียวมีตัวกักร้อยคนแล้วเขาจะมีคนสุดไหมผู้หญิงก็เมอนกันนะครับต้องไม่มีทางสุขเ น, นี่อเขาไม่รู้จากอันนี้หมปัญหามันเรื่อคนจึงว่าทำบุญกันกมากๆตายแล้วอยากไปสุิดในรกรวมยึงเมืองสวร ร, วรนนน ค, ค์กับเมือนรกเน่ยมันคล้ายกันมันตรงกันข้ามคือไปเกิดนโลกก็คุ้มสวรรค์ไอสวรรค์ก็ไปนนกิดในโลกเพราะว่าผู้หญิงหมดถ้าหากมีคนเดียว ลูกผัวเมียภรรยาสามีว่าอย่างไงพอได้นะคะอย่างนี้ถ้าตัวเข้าตัวแล้วก็เขามีคนจุกหนถ้าสองคนสามคนแล้วก็ลูกสึกว่าจะมีคนทุกมากถามหนูหนูได้ก็ได้ถ้าหนูถ้าครับอมหนูมีมีคนเหลียวถ้าหากอหนูมีภรรยาจะทุกคนหนูพอใจไหมไม่พอใจแล้วทำถ้าไม่พอใจหนูจะไปเมืองสวรรค์ทำไมก็อยงนั้นดีอันนี้แหลคนมันมีจุเล่ทค่น ก็ใจตรงถ้าหักหนูถ้าคิดดูดีๆเลยแฟนของหนูคนเดียวถ้าอายุสิบคนหนูต้องเช็ใจเพราะว่าวันนี้ก็ตปนอนนําคนนั้นวันนี้ก็ตปนอนนําคนนีน้ต้องการให้มาหาหนูไม่มาเพราะหนูจะมีคุบไหมเนี่ยบัดนองถ้าผู้ชายเนะี่ยถ้าคิดในสติปัญญาเราคนเดียวถ้ามีภรรยาถึงร้อยคนแล้วก็จะคอยต้อนับอนรยาเราเบื่อจะจบหนูตายนะ เพราะว่าคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้ผู้บนี้คนนี้นคนไม่เข้าใจเพราะคนมีกิเลสถ้าที่สอนก็ถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาก็เรียกว่าคิดไม่ว่าเก็บหม้อเข้ามียังอๆใมันติดกระเป๋มาทํานั้นเองถ้าพูดไปของพูดไปให้ถูกใจของคนมีกิเลสมาคนที่มีกิเลสก็ต้องสลาดครับสมบัติให้ไปมันเ็นอย่างนั้นแต่ว่าแตมาเขาไม่ได้ทำ น, นี้เพราะว่าอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาสอนเขาให้เขาเรู้จัก ทีแกเขาไม่รู้จักการทําบุญก็ต้องสอนเขาให้รู้จักการทําบุญเมื่อเขาไม่รู้จักการรักษาสิงเขต้องสอนให้เขารู้จักการรักษาสิงเมื่อเขาไม่รู้จักเมื่อเขารู้จักการนักษาสีงก็ต้องสอนให้เขาทํความสงบมันเ็อย่างนี้นะเข้าใจไหมครับก็ยังหลวงพ่ออธิบายมามากยญ่พอควรครับแว่เราอยากจะให้หลวงพ่อจำสัตวามหรือว่าสรุปให้ทั้นท่าคําว่าบุญนี่ครับ ที่ถูกต้องในทางเขาพูดว่าบุญขนาดไนครับทำแล้ว ม, มันจะได้บุญนี่มันเป็นยังไงครับโอ้ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาอื่นๆนะแบบโอ้บุญหนูครับไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นบุญหมายถึงเรารู้จักทำแล้วสบายใจหรือบุญเพรความอ่นใจความพอใจบุญมันมีสองประเทศให้เข้าใจกันนะคือบุญได้เสียสลากับสมบัติของตัว เมื่อเป็นการสรียเลือดเพื่อการคนอื่นนั้นก็เป็นบุญในทางพัฒธศ า, าสนาคนมีึ่แตว่าเราเอาของเราให้คนอื่นมันไม่ต้องการเรียกร้องคืนมาไนมะ่คืนบุญในทางพุทธศาสานาแต่บุญประเทศนี่มันเป็นวัตถุนะครับไม่ใช่ทางจิตใจถ้าพระเจ้าสอนบุญไม่หมายถึงจิตใจนะครับหมายถึงจิตใจคือทำให้จิตใจสะอาดสว่างสงบคือจิตใจสะอาดสว่างสงบนั้นเป็นตัวบุญในทางพุทธศาสานา ตัวเราทานวัตถุนั้นนะจะมาทําทางจิตใจไม่ได้ต้องทาจิตใจโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนานี้นะครับอาจนรย์เข้าใจไหมครับอาจารย์เข้รใจเพราะว่าบุญนี้ก็หมายถึงภาวะของจิตใจโดยตรงเลยทัานดังนั้นความรู้สึกเงื่อนหมายคือคนนี้เป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องแต่ว่าเรื่องวัตถุภายนอกก็คป็นการสงเคราะห์กันช่วยกันไปตามคนนั้นเองครับพอจะเข้าใจแล้วครับทุกท่านก็ อบ Alle, อกว่าเรอลวงพ่เก in? ี in ่ยวกับเรื่องี้ครับเพราะว่าทำสอนในทางพุทธศาสนาหรือทางศาสนาเนี่มันก็มีเรื่องทาบุญให้ทานแล้วก็รักษาศีลเป็นประการศีละเดินภาวนาวิรรนวิปสสนากรรมฐานนะครับคว่าศีลเนี่ยจะต้องไปรับจัพระบรรจ์หรือว่ามีงานมีการทาบุญอะไรตางถึงจะรับศีลถึงจะมีศีลเรื่องอะไรครับอันนเป็นสังคมครับเป็นสมุดเท่านั้นเองเขารีว่าสมุิบัญญัต เป็นมุสขบันดัลขึ้นมาเป็นเครืงสังคมทท่านั้นจะเป็นศีลจริงๆไม่ได้ในสำหรับตำราเขาก็บอกเราตรงเหมือนกันว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดุิเลสอย่างยาบสมาชุเป็น่วงกาจัดกิเลสอย่างตปัญญากาจัดกิเลสอย่างละเอียดในทางพุทศาสนาสอนอย่างนี้แต่อันนี้เป็นคำพูดนะครับสูปานาธินากาเมมุหาสุลาศีลสอง้ยี่ิดนะครับเป็นสมมติเองาันเอง ถ้าหาข้อทางศีลในทางปกติศาสนาถึงก่อนแท้ก็ต้องทำให้เป็นปกติกายปกติวาจาปกติใจอันนี้เป็นตัวศีลอ<ช>ันนั้นเป็นสังคมอันนี้ไม่มีใครทําให้เราได้ศีลเนี่ยครับห<ช> <Dartmouth. S 2> มายถึงปกติกายปกติวาจาปกติใจอันนี้เป็นขุนศีลแล้วปกติครับ็เรียกว่าไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ต้องไปรับจากใครก็ได้ ก็ได้ครับเราพยายามทาความปกติทางกายทางวาจาจนตลอดถึงทางด้านจิตใจครับโ้ยเฉพาะในจาเป็นจะต้งที่ว่าวันพะวันศุนย์คจะไปขอศุนย์จัดพระเออเรื่องนั้นเขาไม่ได้จักเป็นนิดนึงเองครเขาไม่ได้จักสมมติเาว่าวันศุลวันพะเขาไม่ได้จักคือผมก็เคยไปหลายจังหวัดเหมือนกันเออ หกวันเจ็วันจึงเป็นวันคราครั้งหนึ่งอันเขาถือตามประเพณีฤกษ์สมุทรมันนี้เขามีมาก่อนนะครับไม่ต้องสงสัยเรื่งนี้ถ้าหากว่าปีหนึ่งนะคุณต้องเข้าใจอย่างนี้สามอยสิบห้าวันแม้เป็นวันพรกี่วันคุณมั้ก็เจ็วันเป็นวันพระครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งก็มีอยู่สี่ครั้งท่้งหมดน้องมาสุดสองเดือนสองปีก็ปีสิบแปดวัน วันครับอ่าเป็น nah> 48วันวันพระนะนอกจากนี้เราไม่เป็นวันพระนะครับไม่เป็นวันพ่ะเป็นวันของขวบขวบนั่นอะไรคืครับโอ้เป็นวันของขวบ่ึงเลยเมื่อเท่านั้นเข้าใจวันหนึ่งปีหนึ่ง365วันกุศลปี48มันก็เป็นวันพ่าเพียง48วันแต่ไม่ใช่เป็นวันพาสามรอบวันก็เป็นวันขวบเนี่ยอันนี้หมายถึงอ่ไเราไปฆ่าขวบันถ้าเรามาโกรเป็นมนุษย์เนี่ย มานกิดเป็นคนในมนุษยเหมือนัเราไปฆ่าขายแต่ถ้าเป็นฆ่าขายเป็นเขาไมมีกไรคนใด้ฆ่าขายไม่เป็นเขาขาดคุณถ้าเราไปเข้าใจอย่างนั้นหมขาดคุนนะครับเนเพราะว่าสามหสิบห้าวันขาดเราเป็นพะหรือว่ารักษาศีลวง่ปวันก็ยังไม่สมดูลสามร้อยสามร้ี่สาวันก็ สอยี่สิบกว่าวันก็ก็เป็นสีเป็นสีสีเป็นยัดเป็นมาเป็นเตอะเป็นเป็นทุกอย่างนะครับนีเป็นพระนี่พระไม่มีในตัวเลยอันนั้นเป็นสมุทคนั่นเองการรักษาสีเราจะต้องรักษาทุกวันเลยครับรักษาตลอดไปก็ต้องทำจิตใจของเราเป็นทุกยี่ินาทีนะครับทุกยีนาทีนั้นสมุทรจะขาดไปได้ครับทุกยีนาทีทุกนาทีทุกเส้นเนือทุกลมหายใจเนี่ย ไม่ได้ยังงพ่อบางคนเด้รับมาแล้วรับศีมาโอ้ศีผ่าแล้วไปต่อกับพระได้อันนั้นเป็นเรื่ององมเนเรองสมมติเขาเขาไม่เข้าใจสมมตินัเองจะให้เขาถือไปอย่างนั้นเพราะว่าคนมันปัญญาไม่เหมือนกันคนที่ปัญญาอย่างน้อยอย่างออนก็ให้ขถืออย่างนั้นไ่นถ้าหากว่าคนที่มีปัญญาอย่างเข้มแข็งแล้วเขาจะไม่ถืออย่างนั้นเขาจะถือาตัวปกตสายปกติวาจาปกติใจเป็นศโดยเฉพาด้วยปรมัตถธรรม เป็นถึงจริงจริงแต่เป็นถึงคาจั่งคือเรื่องของกลุมแ่ว่าว่าที่นี้ไม่ไดาก็เป็นถึงอยู่แล้วไม่จำเป็นถึงว่าบ้านนาที่า่าบ้านอะไรถ้าอย่างนั้นก็คนที่เขาพูดไม่ได้อย่างที่ภาษาอื่นๆเขาไม่พูดวาตานาเขาจะพูดภาษาอะไรก็ได้นะแต่เมื่อผมไม่เข้าใจมันเป็นเพราะว่ารูกภาศาสนาที่คาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาโอมใครจะก็ได้จะเปนคนไทยก็ได้เนคนจีนก็ได้ เป็นคนอเมริกาคนข่มงินคนดวนคนลาคนอังกฤษใครใครก็ได้ครับขนาดทำตัวเป็นจตุจิตอันนั้นเนี่ยเนี่ยพุทธศาสนาจริงิครับอันสองสิงได้ว่าทําทำลงไปจริงๆครับเนว่าเราจะเรารู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีเราควดเช็ญจริงๆขาดุมันจริงๆทั้งกายวาจาใจก็ไม่เมตถึงนันวันนั้นมันชั่วมันเดวนแล้ว ก็พยายามงดก็ทำลงไปจริงจริงอย่างนี้ก็เรียกว่าคนณผู้มีสิ่งนี้นะเ็นประเชิญธาตุใบภาษาพุทธศาาเราเรียกว่าคนนั้นเข้าถึงพุทธศาสนาหรือว่าเข้าถึงสิ่งธาตุก็ตรงหมายถึงตัวสติตัวปัญญารู้จกว่าธทำสิ่งนี้เดือดร้อนทำสิ่งนี้ไม่เดือดร้อนนั่นแสุะคือธาตุไม่ใช่ว่าจับเป็นตัวรูปกายของคนตัวสติปัญญาเข้าไปยังรู้ในความคิดที่มันกําลังปรากฏขึ้นมา โอ้อย่างนี้ทาอย่างนี้มันจะเดืเอดร้อนสังคมทำอยดังนี้ไม่เดือดร้อ น, นต่อกกสังคมงั้นนักบวชปกติซึงจะรู้น ะ, นะถ้าไม่ปกติไม่รู้มันก็ทำไปตามอารมณ์นถ้าอย่งนั้นก็คนที่บวชก็มาแม้จะเป็นพระเป็นเนรได้วต่แสง่บางทีก็ยังไม่มีศีลอยู่าง้แต่พระนเนรบางทีก็เปบาสันเมนก็ทำมาแล้วที่ไม่ดีไม่นานก็เนรอย่นั้เนเขาสังคม เขาเขาสังคมนวัาสังคมสื่นนวัดสื่สังคมการจนทิสุสมเนรมันเป็นสังคมท่านั้นเองค่ะนี่สมสมุดสมุิสังคมเป็นประเนรสมปฏิเมีเรื่องนี้เขามี่อนนะครัอ๋ะแส้งว่ามี้มีอะไรกันบวชอะไรกมีเรื่องนี้อยู่แล้วในโลกนี้ครับในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้า ออกไปอะไรไปดูสวนดอกไม้หรืออะไรในภาคมันไปชมภาที่ยากเนี่ก็เนเทศสมณะสมะเทศก็เหมือนอย่ที่กเรานี้เองครับตอนนั้นยังไมมีทุกศาสนายังไม่มีครับเป็นเพียเป็นศาสนาเนี่ยอยู่แล้วยังไม่มีครับเขาจะมีการทบุญให้านรักษาศีลกรรมีอยู่แล้วดก็ไม่อยู่มีแล้วแต่แต่ว่าเรื่องนิทานก็มีอยู่แล้นะครับเรื่องมรสนิทานอสูงสุกอยู่แล้วคือเขาพูดกัน ครับยังไม่มีใครรู้ไม่รรู้รูอยู่ไม่อู่รู้่ว่าคนอาจจะทาได้ทุกคนแต่ว่ายังไม่มีคนผู้ที่สาคัญผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้รา้ผู้ผู้ผู้ผูนผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผูมผู้ผู้ผู้ผู้ผม้ผู้ผู้ผู้ผู้ผก้ผู้ผู้ผู้ผู้่า้ผู้ผู้ผู้ผู้ผอย่างผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู แตคนข้าราชการของฉันคุณผู้สนุกเขกเถูกติดอะไอย่างนี้ครับอ่าในใจคุณ่อคราใจเกิดกระบวงสูงนื่องมหมายถึงว่าเราต้องพยายามทาตาว่าใจใสอะไงปกติจริงจิบวชหรือไม่บวชก็ตามผู้หญิงหรือผู้าก็ตามอยู่บ้านหรืออยู่เร่อยู่นาอยู่ที่ไหนก็ตาม ก็เรียกว่าเป็นผ <an article. S 2> hmm, ู not, ้มีสีทธที่เว่าไม่ต้างรับไม่ต้องว่าก็ได้ไะอันว่าเนี่ยเรกว่าทาตามประเพณีสัตคมสังคมสังคมเรื่องผมื่อเขาไม่รู้เขาจะรู้ขึ้นมาเอืนีที่ว่าไม่ว่าตกไม้ตกไม้ขสงพระอันพระนั้นมันไม่ได้อยู่ที่นั่นคราหมายถึงเปคนผู้ที่รับการยกย่องแต่คือทาทางจิดทางใจค่ัดพร้ใเวลาผู้ปฏิเสนะแค่อันพระอย่างชื่เชื่อ รผมหรืท่านกาลังสพธนามัก็อยู่ในขณะนี้สมมุตนะครับท่านไม่เป็นจริงนะบ้างเป็นผมมุมเ้ารือนี่เรือนนี่เอ่ไม่ได้คุณก็เสดได้ผมก็เสดได้ไม่ไมก็ดวดได้ไม่เป็นเชิงสมมุตบรญญัตขึ้นมาอเสกแล้วก็ไม่ได้วดพระแล้วไม่ได้เรียนตั้งวัดว่ายืนท่านก็ะมาเร่งขึ้นมาว่าเรื่องเสพมุกตอนนีมอยากจะฝาบเรี่อลงพ่อรื่องขึ้นมา ว่ามีการพูดทารักษะสาธิแล้วก็มีการภ า, าวนาหรือว่าการทาสมาธิการทำสมาธิการเจริญสมาธสมาธิที่ปัสจนารมาธอะไรกันแนเนี่ยครับการทำสมาธินี่เท่าที่กระผมเห็นทั่วไปในสบเก็จทอทุกแ่งครูบา อ, อาจารย์ก็ต้องบอกว่าให้รกกบับสีลก่อนพอรับศีลแล้วกบอกว่าให้ไปทาสมาธิคือ น, นั่งหลับตาเอาขาขาทักขาซ้ายตั้งตายให้ตรง เรามืา้าครับมูอซ้ายแล้วกหลับตาแต่บางทีก็อาจารย์บอกว่าให้มีทำบริกรรมภาวนาเ่นะุดโธปุถโธเวสสัามมาอรหังหรือว่าจุตหน่อคางหน่ออะไรทนอง น, นี้ครับอันนี้เป็นการทำสมาธินะครับอันนี้คือเขาทำตามตามกันมาครับเพราะบุญเปนบญนั้นก็ยังไม่มีแต่เขเลยทาตามตามกันมาถ้าพู ด, ดแล้วก็เป็นเรื่องยากับข้อ็นเตีย มันเป็นตัวมันเป็นส ก, กุทของมันจะเป็นเนื่อเท้ได้อย่างไรเพราะว่าสมาธินั้นไม่ได้หมายถึงการนั่งหลักตาผมก็เคยทำมานะคะรับผมก็ผมเคยผมก็เคยทำนั่งหลับตานอกจากนั่งหลับตาแล้วก็ขับสมาธินอกจากเอามือใช้มือหัวทับกันแล้วก็ภาวนาเวลาหายใจเข้าปกติเวลาหายใจออกโอผมเป็น มือแบบนันต้องสอนแบบนันเป็นเรื่องค้างๆครับมาพูดอะไรก็เม่ว่าตอนไนี่มันพระพิพัฒนามันเยอะแยะไปหมดใจที่ไหนก็เห็นพระพิพัฒนาอันพิพัฒนามันได้หมายอย่างนี้พิัฒนาแล้ว่าถึนแจ้งลูจิงต่างเก่าล่วงพาละโดนก็มาช่วกับหมาถึงการตั้งใจมั่นการทำพูดทุกมันมีในตำนับ จะมาทิ้งแต่าตั้งใจมั่นสบายอย่างนั้นนะครัอ๋อมันไม่ได้หมายถึงอาการของกายนี่แค่าากายนั่งยิ่ๆนั่งได้ น, า น, านั้นแล้วก็คนนั้นเป็นสมาธิเลยครับหมไม่ใช่อันนี้นก็สมาธิใต้โมหะ อ, อย่างเดียวๆแต่เขามีโมาบางคนผมเห็นตอนนั่งได้ยี่ี่ชั่วโมงไม่กะดุกกัะดิกเลยกดให้ขันข้าวบางทีก็สีห้าวันสิบวันอย่างนี้เขาบอกว่าเขาทาสมาธิขัดมัก็ดีครับแต่ว่าผม อ น, นเีื่อดที่สมาธิตอนนี้นะครับเมื่อผมไปจังหวัดเลยเมื่อที่วันนี้มาก็มีพระองค์หนึ่งนี่อาจารย์ที่เป็นมหารป ร, ร 5, ืออดีตห้าขวบเขาทําสมสาธิได้ยีส่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็มีลฤกธิ์คนหนึ่งแล้วเขาทําได้ยีส่สิบชั่วโมงเหมือนกันจะเป็นผู้หญิงลฤกธิ์เขากําลังจะมาสร้างสํานักถผยแผ่สวดีในอันนั้แต่อันนั้นสมสาธิใกล้โมหะนะครับ ถ้าคิดคนไปทําำสมาธกอย่างนั้นเนี่ยเมืองไทยหักไปทำสมาธิเมือนล้วใครจะทำมาบางส่วนไมต้องกินกันนะไม่ต้องกินแล้วบะนี้เอาถ้าทํำสมา่ิอย่างนั้นเหมือนเรเมืองไทยในท่าหักมีคนต้างการเอาไปเมืองขึ้นแต่เราถ้าหักเรามีศรัทธาทานอยนั้นนั่นเราจะไปอยู่ที่ไหนครับลงคิดย์ูให้มันนี้างนะถ้าศรัทธาคนไทยถือพุทะจาสนาศรัทธาพร้อมกันทานทั้งหมดกับเมืองไทยไปยกะข้างคนอื่นปกครองแล้วก็เราจะไปอยู่ที่ไหนเป็นเมืองขึ้นเขาสบายไม่ขึ้น คุณไปเป็นยังไงเขาเป็นแบบเป็นผู้ท่าเขาจะเนี่ยจะพอใจไหมไม่พอใจไม่พอใจจะไม่ตรงตามอย่างที่คนุณพูดคนว่าทานทานมันไม่อย่างนั้นทานหมายถึงการที่อัดไถ่เท่านั้นเองคันคันว่าการทํำตามาทีกฎหมายผึตั้งใจทําการทํางานทําพูดคิดอะไรให้มีสติรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันและ คือนอนาคตมันจะมีมาอย่างนั้นอันนี้พวกนิพพานามองเหงนการใก้กันไปอย่างนี้ครับอาจารย์ปัพพานะถ้าจริงๆเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นี่ครับอรย์อันที่เขาทํากันนังโกดีขัดผมลไม่ได้แส่จริงๆเขาเป็นทครเคยทำเนี่ยพลังเขาจะเคยแค่ว่านั่งได้ดวิ่งสิบสีัวโมงเขาจะนั่งเจดวันเขาจะไม่กิเข้าวเนี่ยคนคุกอย่างมี้ก็คิดถึงพระพุทธเจ้านี่ครับ ตอนนั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้านะครับเมื่อท่านมาทำศึกกากิริยาไม่ไม่ทานอาหารเลยไม่กินข้าวไม่กินน้ํากั้นลมหายใจก็ไปไหนมาไหน ไ, ได้ได้ถ้าอย่างนั้นก็ได้เป็นพระนัหันก็เป็นก็มันไม่ได้เป็นพาาระนัหันเลยครับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแต่สมัยนั้นก็ได้สมา บ, บัติ มันก็ยังไม่เป็นทางเพืนทุกเนี่ยมันยังดับทุกกับล้อแล้วไม่ได้ผมก็ได้ยินนะแล้วผมก็ได้ยินหลายหลายเมื่อสอนทำสมาธิให้นั่งสมาธิแล้วจะบริกรรมหรือว่าภาวนาอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าต้องเห็นแสงหรือสีนะต้องเห็นเรวดานะต้องเห็นพระพุทธรูปนะต้องเห็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับสมาธิเนี่ยจะต้องไปเห็นอย่างนั้นอย่างนี้นห็นนั้นะเห็นของนอกตัว โ อ, อ้มันไม่อย่างนั้น เ, ออเขาเข้าใจว่าเขาได้มีมิตรอะไรต่างๆอันนี้มิตรองคนหลงครับนี่แหลคนมีโมหะโมหะจริต น, นี้ครับคำว่ามนมิตรสีแสงสีเทวดามันเป็นการคาดคิดที่กิเลสมันตกมากครับอกิเลสมันตกมากเพราะเราไม่มีปัญญาเมื่อมีคนหลงแล้วกิเลสมันตกมากได้มันก็เป็นแสดงรวดลายแล้วก็รื้อตึก คำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจมั่นเพราะว่าอย่างนั้นเรื่องของใจเรื่องของใจคําว่ามีนิสัยเป้าหมายเพราะว่าเราก็เลยจะเอาเครื่องหมายถึงนสีแสงสีเัวดานรกสวรรค์สห็นพระพุทธรูปอะไรลอยมาอันนั้นมีนิสโมหะโลกที่เล็กสุดมากค่ะค่ะเป็นอย่างนั้นไหครับเป็นเรื่องของการปรุงแต่งจิตพลาดเดาเอาเองอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ทําว่าสมาธิหรือว่าคําว่าการที่ทําจิตใจสงบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าไปยึด สิ่ภายนอกที่เป็นรูปเป็นแสงเป็นสีอะไรที่ว่าเป็นมิตรนะครับอยากจะให้หลวงพ่ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องมิตรครับคาว่านิมิตเครื่องหมายที่กําหนดนี่มันเราจะไปเอาอะไรมนาะเป็นเครื่องหมายครับหลวงพ่อยตัวยอย่างเร<อ>ื่องมิตรคนสิ้นมากเข้าใจกันว่าสิ่งสีแสงสีเทวดานั้นลกสวรรค์หรือพระพุทธรูปลอยมาอยู่ที่จิดที่ใจที่ไหนแล้วแต่เขาจะพูดแต่อันนั้น ไม่ใช่เป็นมีมิตในทางพุทธศาสนาครับมีมิตโมฮะมีมิตขนหลงวงขอดโมหะโตขนหลวงพิเมื่อหลงผิดมันก็ทําไม่ผูกพางนะครับคําว่ามีมิตเนี่ยครับ ค, บคบําคคว่าวิปัสนาประการสิ่นเจือมีมิตเราเครื่องหมายเครื่องหมายที่ตรงไหนเนี่ยครับ <ปะ S 1> คือเครื่องหมายนี่ยมันมีอยู่ใ น, นตัวของเราคือในขณนะที่เราเคลื่อนไหวเช่นเรนั่งเราเคลื่อนตัวจะยืนขึ้น อันนี้แหละมีมีมตัวมีมีตัวว่ามีสติให้มีสติคอยติดตามเมื่อเราทิกมือขึ้นข้อมือลงยกมือไปเอามือมา ก็ให้มีสติจิตตาอันนี้ว่ามีนิมีนิดแล้เครื่องหมายเครื่องหมายให้สติอยู่ที่การเคลื่อนไหวนี่ครับอ๋อสิแปลว่าเราจะทาอะไรก็ให้เอาจิตใจของเราไปกาหนดรู้อยู่ตรงที่นั่นใช่ครับอย่างนั้นเมื่อเราจะเดินไปยกขาขพื่ออย่างเงี้ยก็เอาสติของเราเนี่ยไปรล้ลึกลงที่ขานี่นันแหลขาหรือว่าเอาเท้าของเรานั่นเป็นนิดๆอย่างเง้ยนั่นแหละนิดๆเป็นสิ่ที่ว่าไปกาหนดนั่นนะเพราะภาษาทางพระพุทธาทนนว่ามิดแลเครื่องหมายพมมุตว่าเราจะเอาไม้มาแตงบ้านแตงเรือ มีความต้องการไม่เพียงสองเม็ดมันจัดเอามาจากสามเม็ดเน้นเลียงเม็ดนั้นก็ใช้งานอะไรไม่ได้เลยต้องการสองเมดเท่านั้นเองอนี่ว่าพระพุเจ้าสอนเอาอันพอดีมีเึกเราเครื่องหมายเมื่อเรามีสติโลเท้าโลทันการเคลื่อนไ<ม>หวของร่างกายเึ้นคิดมือขึ้นรู้สึกครัวพร้อมในตัวของเรา น, ะนี่ว่สมรู้สึกตัวอย่างที่เขาพูดเราในหลักฐานท่านพ่ด ทำที่มีอุปกรล์มากสองอย่างสติคน ล, ลึกได้สัำราชนะคนลึกให้ลารึกได้ใ ห, ร ห, รให้รู้ตัวอันนี้สติเป็นตัเครื่องหมายคือเราคุดตาต้องให้มีสติรู้นี่เนเครื่องหมายดีไปหนี้งด้วยว่าเรียกะติเข้ามาอยู่ที่นู้ดตัวเราเราหายใจเข้าหายใจออกออกให้มีสติรู้อันนี้เป็นเครื่องหมายของร่างกายภายนอกเนี่ยแต่สําหรับจุกใจเน่ะ คนอื่นมองไม่เห็นแต่สำหรับมีนิตอันที่ผมพูดมือขึ้นค่อมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงหัวก้เงยชิดตาอ้าปากหายใจคนมองเห็นคราจป็นมินิตภายนอกอันนี้เราจะเรียกว่ารูปมินิตก็ได้ใช่ได้ เราสติของเรามากําหนดรูปครับต็นเรื่องเรื่องตายหนึ่งธาตุดูตายิี่พนาดูตายหรือกำหนดตัวตายคลื่อนไหวพูดหยียดทํำตานทํางานนั่อันนี้ก็ว่าไม่ได้ภายนอกนะครับก็พระพุทธเจ้าสอนนะแม่ท่านจะมีสติอยู่ทุกเมื่อเถึงความตายถึงจะไม่ตามทันนะครับเมื่อเรามีความรู้สึกการทําพูดคุกอะไรต่างๆเราจะไม่ทําผิดไม่ใช่ตายเนาเข้าโลงนะครับคือตายแล้วคนไม่มีความรู้ติด ในตัวประทับพูดคิดที่จิตก็มันเน่าเหม็นแบบมันเน่ามัเหม็นคือมันเป็นของที่ไม่ดีนี่แหละเนี่ยมีนิดมันต้องตรงนี้ครับตรงนี้มีนิดที่เป็นนามธรรมนะผมว่าเรื่องจิตใจอย่างเงี้ยมีนิดตอนนี้คนอื่นมองไม่เห็นครัแต่เห็นได้เฉพาะตัวเราครับ กำลังเราทำการทางานไม่ต้องเอาสติมากาหนดทางล่างกายแผ่นนอกให้มากนะคะตอนนี้ก็คยดูจิตใจที่มันกล้ากดดืวยมันเครื่อนไหวเหมือนกันกับร่างกายนนอกจิตใจม่เหมือนกันหมายถึงอารมณ์วาคมิที่มันควงมาคิดมันเป็นอารมณ์ครามรู้สึกความนึกคิดมันเป็นอารมณ์แล้วว่าทำมาลมกับใจนี่ทำมาลมกัตายเห็น รูปสวยไม่สดใจด้วยครับบางอย่างเป็นอารมณ์เข้ามาเนี่ยพอใจไม่พอใจแค่ดูที่ตรงนี้อยูอเอาเอาความรู้สึกที่ว่พอใจหรือไม่พอใจนั่นแหะเป็นเครื่องหมายว่าเป็นมินิเป็นนินิเป็นมีนิที่เราจะกาหนดรูปลงไปครัดูลงไปเท้าดูตรงนี้อรับให้แค่รูปติดตัวเอ้มันพอใจไม่พอใจพอใจแปลว่าอะไรพอใจแปลโมหะอ๋อควพอใจจะมีโมหะควไม่พอใจเลยก็มีโมหะ ส่วนจิตใจของเรามันเป็นปกติอยู่แล้วที่ไม่ปรกตินีครับหรว่ามีอะไรคลื่นปกติก็คือโมหะเข้ามาทํางานเข้ามาครอบงำจิตใจจึกใจหรือวิตของเราหรือว่าอะไรครับมันสุดยากเพราะไม่มีตัวตนนะครับมันเป็นปกติเหมือนกับน้ำเอามาตปียกเท่าไหร่ ย, ยังไม่พอได้ครับอย่างน้ำในฟูในคองกับน้ํำสนน้ำปันน้ำในบ่อน คนจนมากผมเคยถามน้ำแของสะอาดไหมเขาบอว่าไม่สะอาดแล้วถามน้ํากันสอาดไม่สะอาดแล้วถามน้ำฝนสอาดไหมสะอาดไม่สาดเท่าไหร่ก็ดูต่อน้ำแขงแล้น้ำเจ้าพญาน้ำทะเลสะอาดไหมไม่สาดแตควรจริงน้ำนั่นอ่ะมันสะอาดเลยครับที่ไม่สะอาดไม่ใช่น้ำบอกครับว่าตัวน้ํำแท้ๆหรือว่าธรรมชาติแท้ๆนี่คับ มันจากาก็ไม่สะอาดทางบรรยากาไม่ใช่นะไม่เชหนามันเป็นตึ้งตึงเป็นตึ้งงสะอาด่าแล้วจะเห็นได้ง่าอย่างเช่นน้ำาะอาดเอาน้ำแดงเข้ามามันก็มีสีแดงขึ้นมาเอาน้ำดำก็มีสีดำขึ้นมาเอาน้ำอะไรหรือน้ำสีเป็นตัน้ำนะครับมาผสมกับน้ำาต้นสีอันนั้นเลยตัวชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับ แต่ตัวชีวิตตัวจิตใจของเราจริงๆนั้นะมันเป็นปกติมันสะอาดมันสย่างมันสงบอยู่แล้วนี่พระพุทธเจ้าสอนให้เร า, มาเนนไม่เห็นอันนี้เลยจ้ะนี่มีมิตรนทางพุทธศาสนาถ้าเราไม่เห็นอันนี้เลยเราเห็นเรามีเราจนเราเข้าใจคุงที่มันปรากฏขึ้นมานั้นไม่เค่ชีวิตของคราความพอใจมันเป็นเพื่อควมไม่พอใจมันเป็นเพื่อ ก่อนที่จะพอใจไม่พอใจเพราะมีคนหลง<ช><ต>อันนี้แหละคนไะคิดมีมิติ ว, ว่าไม่รู้จริงเพราะเลยจะเอาอันนั้นมาเป็นมีมิติครับนี่มันจริงไหมครใจครับอันนี้เรียว่ามีมิติจะต้องหมายถึงว่าเอาอยู่ที่ตัวเราเอาคิดเกิดเราถ้าเป็นภายนอกก็เรียกว่าร่างกายให้ดูเร <นะ S 2> ื่องร่างกายเป็นมีมิติร่างกายครับถ้าภายในอารมณ์จิตใจก็ให้ดูกําหนดดูว่านั้นอ่ะอันนั้นก็เรียกว่า การได้ทำวิปัสนาหรือว่าเห็นแก้งใช่ไหมครับแ้งเห็นแ้งไม่ใช่เราไปเห็นพระพุทธเจ้าไม่ใ้่เราไปเห็นิตใจคนอื่นไม่ใเาไปเห็นเออเทวาหรือว่าเห็นกษ์หวยเอรอะไรํานองนั้นนะครับอันนั้นมันจป็คนคิดของคนหลงอันไม่ใช่เห็นอย่างนั้นอันนั้นเาบคนหลงคนหลงคิดไม่รู้จริงแค่พูดตามตาลานะครับเพาะว่าที่ถ้าถ้าทึกอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่า ไม่ใช่ผมพูดมันมีในเส้นหนังสือนะครับว่พูดพูดคือตลิบมนุษย์ทำคือทำทันยิ่งความนุษย์ไม่มีในเสนเขาว่าเป็นธรรมบัติด้วยเนี่ยว่าเพราะว่าใครทําไม่ได้นะถ้าทําได้ก็งั้นทํานทำมาดูทุกคนถ้าสมมติคุณนะว่าคนมองเห็นสิตใจผมถ้าผมคิดอยากด่าคุณด่กลีคุณคุณจะมองเห็นนะเพราะไม่เห็นเนี่ยคุณมันไม่เห็นเนี่ยคือ ตัวของผมื่นจะรู้ตัวของผมเองจะมามองเห็นจิตใจผมทาไมผมเคยพูดเรื่องนี้คับอาจารย์ที่เคยสอนกรรมฐานผมแต่ท่านสามารถมองเห็นคนนั้นคนนี้บอกคนนั้นจะมาเวลาเท่านั้นเองผมก็เลยไม่ม่อาจารย์นี่เป็นบ้าเลยพูดอย่างนั้นก็ท่านเคยสอนกรรมฐานแค่ปากท่านก็ย่ากรรมมาแล้วกรรมมาเพื่อนมาผู้อาจารย์มีบ้าครึ่งที่ว่าคป็นตายครึ่ง เป็นใจสเห็นมิจฉาทิท่านไม่รู้จักเลยครับท่านทำไมเป็นเพราะว่านิจฉามจฉาในใจไม่รู้เลยที่่านไม่เห็นไม่เห็นผมก็พูดสมุติสมุติท่านเชินไปเกิดจิตใจผทดลองดูคทดลองอาจารย์อดีนานๆเขาคงว่า้าอาจารย์แต่ว่าการเชื่อมาตดบรีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่ามีเนเนที่เลทมันจะเป็นที่เลทําไมท่านาอแล้วกันอาจารย์นี่มันเงอถึงขนาดนี้แล้วมาสอนให้เราตลัด ทำไมเราจะสลาดไปทำไมตอนไหนเราเนินเนรธรรมดายู um ่กับคนโง่ก็ต้องโง่อย่างนี้อยู่มันเปนสลาดต้องสลัดจะ่างนี้ทนในสนิในใจไรก็ได้ตัวเราต่อจนกนี้มาท่นี่เรื่องสมาธาวิปัชนีนะครับหลวงพ่อเคลื่อนอิบายสั้นๆว่าสมาธินี่มันต้องเข้าป่าเข้าดงไปนั่งอยู่คนเดียวในถ้ำในเหียวหรือยังไงก็ต้องอดข้าวต้องอะไรเข้าทานสิ้าวันบเดือนหนึ่งบางอย่างนา เออเไม่เข้าใจครับผมไม่เข้าใจเดินเดินผมก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันที่ผมทำกับที่อาจารย์ที่ว่าอาจารย์ที่สมนึกในใจนี่ครับนึกในใจอาจารย์มีงูปตาเนี่ยคนไม่เข้าใจครับตาก็หมายถึงป่าดงโพงไทยเบ็ดปดเข้าไปในถ้ำไปในตาลึกๆอันนี้เป็นคนไม่เข้าใจครับแต่สมัยนั้นผมก็ทนเหมือนกันตาหมายถึงคนยิ่งคนเพ้อ แต่เราต้องพยายามมาดูจิตใจที่กําลังยุ่งกําลังทุกข์หน่อยหมายถึงตาเราหมายถึงตาโร่งวุ่นวายตาไหนมันล้มลงรังนี่นะตาไหมายถึงอะไรเงยนี่ตาที่ตรงนี้เราต้องพยายามที่ผมเคยได้ยินจากคนพุทธราติบอกว่าทางตาอย่าตัดเชนไม้หน่ะแล้วก็ฟังคําเรียกเท่านี่กับพอถ้าคนมีปัญญานะครับท่านกมายถึงคนโง่นั่นเองหมายถึงจิตใจมันมืดเป็นปู่ลานเขาแสนลูกสนหลานนะครับแต่ ไม่เหมือนกับพวกเรานี่นะพาลูกพาหลานเข้าไปในวัดเขจับดอกไม้มั่งเอฟมั่งเทือนมั่งแต่คนสมัยนี้เขาจับไปเหมือนกันเป็นเขาทำกันไปอย่างเพื่อปูปูตาป่าอย่างนี้เห็นเขากำเขาทำตามกันมาไม่มีคนหมายเลยเขาเป็นนี้แต่ถ้าเพื่ออย่างนี้เขไม่ได้นะครับเขาสําหรับพวกเราได้อเอย่างนั้นถ้าจับดอกไม้ไปเมื่อดอกไม้ปูชาในพระพุทธรูป ท่านก็ไม่ได้มีหอมแล้วท่านก็ไม่ได้มีหมเห็นว่าเฉื่ยงามเพราะตาท่านก็ไม่ไม่รู้เดินไปไหนดังท่านก็ตันเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่คนโบราณถามว่าดอกไม้ประดิษฐ์หนูสวยไห่ดอกไม้สวยก็คงทากิดใจมันเฉื่อยอย่างนี้หนูไปไหนมาไหนแต่หน้าดูหน้าสมอย่างนี้เมื่อจุดเทุกลงไปทุกหอมไม่หอมดังพระพุทธเจ้าท่านกตังงนเจ็บคน ทำกายวาจาใจของเนูให้มันหัวดำโง่ท่านไม่เห็นต้นไมันจะเป็นอย่างนี้ต้ไม้จังเพื่อไปนลงไปเป็นยังไงหนูสว่างสว่างถ้าเดินกลางคืนถ้าไม่จุดไฟมันเปดสนุกทองท่านสอนวันนี้คนมีตาสองตามีหูสองหูการดูเขาต้องมีตาสองตาจุดเทียนสองเล่มไปเนี่ยต้องมีปัญญาดูการทําของเขาหูสองหูฟังคำพูดของเขาคิดถูกหนูต้องคิด นี่มันเป็นอย่างนั้นคันเนรื่องส ม, มาถะกรรมฐ า, านมันอยู่อย่างนี้คนะรับโดยว่าขั้นแรกต้องสอ น, น, อนเด็กเด็กใครเนี่ยนะจะแบกปุ๊บเข้าตาในแต่ไหนในี้โอ้โหถ้ากรรมฐ า, านต้งเข้าปี 10, ปีแบกปุ๊บเข้าตากระดิ่ง<ร>อันนี้เป็นวิถีของคนเด็กเด็กคนมมือสู่ญาติญายิสอนตึงนั้นครับเมื <zijn S 1> ่อเราเจริญสมถะกรรมฐานดังที่หลวงพ่อว่าให้รู้ให้เข้าใจอะไรบ้างอะไรเนี่ยแต่แล้เราก็อวิจารณานี่ครับ มันก็คลายกันก็คลายคลายอะไม่นเป็นม้านถึงทำกันแบบเดียวกันหมดทำไมจะมาที่เหมือนกันสมาธิเหมือนกันด้วยปัญญาก็เหมือนกันคือนั่งหลับตาแล้วกัมองกันหลตาเท่นั้นในวัคคุณยังไม่เข้าใจแต่ท่านจะใคที่หลวงพ่อได้อธิบายอะไนี้ถ้าที่ผมเข้าใจหรือว่าคิดว่ายากเกินก็คงเข้าใจตามคําพูดของหลวงพ่อว่า ถ้าถว่าเข้าใจเรื่องบุญจริงๆในพุทธศาสนาจริงๆก็ต้องเข้าใจหมดถ้าจะมาที่ปัญญาก็ต้องเข้าใจหมดเข้าใจหมดใือว่าเข้าใจปฏิบัติถูกต้องอันนี้เรีว่าเข้าใจของจริงส่วนไม่เข้าใจก็ต้องทําไปอย่างนั้นแหละทำไปอย่างนั้นสมาธิจะต้องนั่งอย่างนั้นทําอย่างนั้นสมถธิเต้องนิ่ก็ขาตาไปอยู่คนเดียวอิปัสนาก็าต้องไปถึงจตินใจคนอื่น ต่องเเยเห็นหวเห็นเดาอะไรอย่งนั้นเดี๋ว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่ถูกอะไนครับก็ทุกของเขามันไม่ถูกในทางพุทธศาสนามันไม่ถูกคำสอนของพระพุทธเจ้ารับแตมันถูกของเขาคือคนโง่มันต้องถูกอย่างนั้นแตมอให้ออกอคดีให้ไม่เอานะเป็นทุกวันเนี่ยผมกเคยเจอเหมือนกันถ้าอกลอรมให้เอาทันทีผมเห็นนี่ผมเห็นด้วยาผมนะครับผมมาอยู่ที่ขอนแก่นนะครับ มีคนหนึ่งไปซื้อตะปูดมาจากจังหวัดเลยเอ็ดแล้วก็ไปซื้อพระพุทธรูปหนึ่งองค์สององค์เขาไปซื้อมาจากอำเภอหนองเรือเขามาทาเป็นของของังแกบสาเข้าไว้ ใ, ใหอยู่รเดปลอดภัยเข้าไวทไปถามไปํามาออ้โหมันซือเท่าไหร่อันเนี้ยเขาบอกว่าซื้่่่เก้าร้อยบาทแล้วก็มีพระสองค์ซื้อเท่าไหรอันนี้เขาบอกว่าซื้อเองว่าแปดสิบาทเขาว่าอย่างน้ นี่มามามองดูแล้วคนมันไม่เข้าใจอย่างนี้ผมก็เลยพูดกับเขาพูดไปพูดมาผมก็เลยทำเป็นทุกตีเลือทาน้ำมนต์ถามว่ะอันนี้เอาลงส่งน้ำได้ไหมออกบ่อส่งได้เขาบอกเขาเคยเอามาส่งน้ำในระยะติดจองการทุกบตีทุกบตีเอาว่า ย, ยัางไงเพรดูเพื่อนั้ น, น, นผมจะให้เขาเอาน้ามาทําเป็นน้ํามนต์อย่างเงี้ย เขาต้องการให้ผมไปทปําจนทิพย์ที่เขาปลูกบ้านใหม่เมื่อปลูกบ้านใหม่แล้วเขาปลูก บ, บ้านที่จุ่มโพนเพราะว่ามีคนไข้ก็มีคนจับมีคนเจ็บคนป่นวยอย่างที่พูดการธรรมดาบ้านของเวกคนป่วยเมื่อไม่มีควรอยู่ดีมาแล้วเขาก็เลยไปหาพระตามปกติคนเรามันไม่มีทิพย์ที่เขาไปหาพระมาทำเป็นที่พย์ให้ ใช่เกิดรัดเขายัางไปตรวดถอดตรวจถอนไอเพื่อนัอน้ น, นมันเพชรมันควงออกไปเขาก็หาพระมาเกิดรัดแต่สวดก็ยังไม่หายมันนี้ผมไปจากถอนแกนเนี่ยไปจากหนึ่งเลยไอยู่ที่ขั้นแกงเพราว่าพระที่ปรารนามันแข็งเขาก็เลยไปหาไปหาผมรักที่ผมอยู่นะั้นมีลวงตาสององค์เมื่อเขาไปมมณ์ผมผมเขว่าเอาจะไป พอดี ว, วันจะไปหล่งตาก็จะไปด้วยเนี่ยพอดีล่งตาจะไปผมก็เลยไม่ไปไปทําน้มนต์สองค น, มนไม่ทันมไม่สักพิษท่าทำกระเดื่องมันขังมนส่กพิษอย่างนี้ผมก็เลยพูดพ อ, อย่างนี้เมื่อพูดอย่างนี้ลวงตาก็เลยไม่ไปเพราะเขา ม, ม, มันมีมนต์ผมผมไปตรงไปอย่างว่าเนะี่ยผมก็ไปลมเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปสนทนาเขาเรื่องถามหนี่งอย่างที่พูดแล้วว่าเขามีฐ อะไรรักษาพยาบาลมีขอประทานรักษาผมก็ขอ ด, ขอดูขอดูเขาเลยมาให้ดูเอาก็เจ็บะกุศนี่แหละมาให้ดูแล้วก็พระมาให้ดูให้ดูแล้วผมก็เลยถามถามเขาไปเลยเอาเอาฝนน้าได้ได้ไหมผมก็จะทำน้ํามนต์เลยให้เขาเอาน้ํามนต์มาเอาการะมังตีกระมังมาทำเป็นน้ำมนต์ให้เขาจักน้ำเติมกระมังใหญ่ๆเนี้ยน้ําึ้นถังสอง อันอันที่สองคือระมาณ ก, ก็ยังไม่เต็มใหญ่เนี่ลกมังใหญ่พอดีเอาน้าาาําเอใส่กละมังเต็มแล้วผมก็เลยเ อ, อาพระลงพ้ากับตะกุดเขานั่งลงแช่น้ำมานแล้วผมก็สนนารลมเขาเพื่อให้เขาเอตงเขาสบายลมไปนานประมาณชั่วโมงตัวเนี่ยพราะเขาเขมีนาฬิกาแต่เขาไม่กําหนดแต่ผมเหมือนมีนาฬิกาผมก็กําหนดเอาไว้เมื่อผมกา ห, ห, หนดแล้ว ลมสนทนมาเขาคุยขาเทือนเทินแต่แล้วเมื่อได้ชั่วโมงหัวโอ้ลืมหายพระกับจากปุณนนิขึ้นมาจากกระลางโยมเงนิ่นนานเลยนะไ ม, ไม่เป็นไรหมอครับภาว่ารณ์นั้นผมก็เลยถามว่าถ้าหากว่าคนลงมุดน้ำอยูน่นี่ตายไม่ชั่วโมงนี่นยตายครับไม่ได้หายใจพระุณก็ตายแล้วอย่างเนี้ยถ้ามันมุดน้ำอยู่มันไม่ได้ขึ้นมาหายใจ ตะกุบเขาตายเหมือนกันผมก็เลยพูดอย่างนี้เพราะว่ามันนิดน้ำอยู่ไม่ต้องต้งมองเลยมันไม่ได้หายใจผมพูดอย่ี้เพป็นหน้าตกใจเพราก็นหน้ า, ส, นนาสียใจเสลงใจเพราะว่าว่าพระขตายตะกุดขาตายผมก็เลยตัมันนี่โยนตัวเองมันก็นยังช่วยไม่ได้ทําไมมันจะมาช่วยเยมเนี่ยมันจนน้ำอยู่เนี่ยมันยังไม่โผล่ขึ้นออกเป็นเดียว ก็กุดก็เหมือนกันพระก็เหมือนกันพูด ท, ทำความเข้าใจเขาก็รูดสิตคิดขึ้นมาพอดูเขาคิดขึ้นมาวันนี้อาจารมาจะทําน้ำมนต์ให้หยุดรอยแต่พระนี่มันก็ดูแต่วันนี้แบบเบะเบะอมมือก็ไม่มีชื่ขึ้นกับขึ้นอย่างนั้นวันนี้อาจามาเขาจะเข้ขึ้นตัวเองเมื่อจิตใจเข้มแข็งแล้วอะไรมันมาไขไม่ได้ผีก็พูดปรับจนเข้าใจเขาเขาจะรึดจะดูใจขึ้นมา เืีวยวขึ้นมาผมก็ทาเป็นน้ำมนุษย์เป็นพุทธมนุ เ, เ น, น่เยของผมเศษน้ำมัน ต, ตากตระอะไรก็ตรวจแล้วรครับนี่ก็เอายนจุดกละมังเแบบนี้กับผมคนหนึให้มานั่งตรงกลมังนะพอคนนั่งตรงกละมังเ็เป็นพ่อแม่คนนั่งตรงกะละมังของลูกกน น, นั่งตรงกลมังของลูกคุณมีคนเดีกันมีลูกาวคนเดียวแล้แต่งงานแล้วมีลูกเขยคนเดยียวเจกัน บ้านมาไม่เคยอยู่ดีเลยเขาไว่าอย่างนี้นบ้านใหม่มันมีผมกระเดือเอาน้มันไรลดเลไปผมน้ำมนคนกละมังคนนี่ก็ตักดคนนั้นตักดคนนั้สซืกะละมังบ้านเขาให้เขาลืมเนื้อเขาเขาลืมเจดูบ้านเขาเขาเขาตน้มันไม่ลงนะครับมันติกแต่มันเจ็บีน้มเออกางเรนนะพอดูต ทำหน้ามวยเสร็จแล้วผมก็เลยให้เสรผัดผ้าผัดผ้าแล้วก็มาถอบ้านให้เรียบร้อยผมก็ดูดูดดให้เขาทำให้มันเร็ยบร้อยก่อนให้เขาตัดใยมุมๆอะไรๆต่างๆทำเสร็จเรียบร้อยผมก็แสดงให้ฟังอะไรต่างๆพอดูแสดงให้ฟังแล้วผมก็ลงมาข้างล่างมาดูที่ใต้ถุนอะไรผมก็พาเขาเดินไปที่ไหนมันเป็นอะไรที่ไหนเขาะาเกิดเท่านั้นเท่านั้นเกิอดอ น, นี้ที่ดูเป็นกอบกายยามจะทํำไป เมื่อทําไปแล้วผมก็เลยอันเมี่อไม่เป็นไรและวหนวงพ่อทำให้เรียบร้อยแล้วอะไรไม่มีละผีก็มนนีเทวดาตรงนดูมารักษามก็มาเทศให้จังมเมื่อเทวดามารักษาคุณแล้วบัดเนื้อเพาะเชิญเดินาทางทึกไผยอันตรายทังตัวเนี่ยมดไปได้ผมก็เลยมาสวดโยจักตุมาในให้ฟังเป็นบทแรกเลยโยจากกุมาโมหะมาราปรัสเถรอันนี้เป็นภาษาบาลี เนื้อเป็นภาษาไทยเลยท่านพระองค์ใดมีพระปัญญาจักสุขจัดมณทินคือโมหะเัวแ ล, แล้วโยนมีปัญญาแล้วขจัดมณทินคือโมหะโยมอยากที่หลงต้อง ท, ทําจิตใจให้เป็นปกติเข้มแข็งให้ต้องไปรอค อ, อยผีเทวดาที่ไหนมาช่วยโยมต้องทําคนสะอาดที่บ้านสองโยมผมก็พูดอย่างนี้ให้ฟังคนที่พูดไปพูดมาเขากันรู้สึกดีใจ เมื่อเขาดูใจแล้วผมก็เลยหือมาบ้านามาที่วัดนานเมาคนมาขาอาลถมาสรงที่วัดได้นามปกติเขาไม่ค่อมานะครับพอดูผมไปทมให้แล้วเขาก็เลยมามาเมื่อเป็นโยบุญธ ร, รมเป็นคนที่คนเก่งเดี๋ยวนี้เขาก็ยังอยกุญธรมอยู่เรื่อยที่ผมไปเขามาให้กินโตพอดูเป็นยังไงอยูน่บ น, นบ้านเรือนของเราบ้านเรือนของาสบายสบาย โลกเขาเกิก็หายเขาว่าไงเนี่ก็เลยหายจริงๆโลกเขาหายจริงๆนะเขาก็เลยจะดูมีแรงมาตั้งแต่นั้นเน่ะเขาก็เลยตกุศลเขาก็จะให้ผมพระเขาจะให้ผมผมก็เลยบอกเอาไปคืนเอาไปคืนเขาเ้ก้าว้อเไปเขาคืนข้าแล้วก็อย่างดีอ๋อพระนี่เป็นยังไงนะเนื่ยพระคำว่าพระพระเนี่ยไม่ใช่เป็นของจริงบางทีพระซอมคนหรือพระที่ทําตะกุศลก็ เขาต้องการเงินเขาไม่ได้ทําึ้นบนจริงใจเงมนพอดีพระพอดีอย่าไปเสืเ่อเพื่อเขาว่าพูดวพระเหนฟอมันแข่งฤาษีประดุษเหรินฟอมันแงอย่าเข้าใจอย่างนั้นจริงมันไม่แังมันไม่ศักสิทธิอะไรในสมัยขังพระเรืยอบุคตรมิพาาาระละหันพระอะไรผมจำไม่ได้สองคนเข้ามาในเมืองไทยเมื่อมาฟังธรรมจากพระอริยะบุตคนเลาาอือพระละหันตรงนั้น ก็ไม่มีเครื่องหมายท่านก็เขียนอบเบลานในลานมาเขียนเป็เครื่องหมายบอก็ได้เป็นสังฆธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้นานๆมาคนเยะนั้นก็มีศิละปะดูเขาเอาดินเห น, นียวมาปั้นเป็นรูปพระเล็กๆเนี่ในสมัย น, นั้นพระก็เลยเอ า, น, า, น, น, านี่ว่าเพื่อนแม่เหนือเจ้านายก็ได้เขาก็เลยให้ใหเพ่อมีตููมีศิละปะดูทําำเปานพระโพธิ์เล็กลๆไปให้พระ ถ้าทา่านก็อเอาไปทาอะไรก็ไม่รู้แล้วอาไปเผาใหมีแข็งตัวขึ้นมาเขาแข็นตัวขึ้นมาแล้วแต่มีคนไปฟังท่านก่อภาานั้นให้ ه, เป็นเครื่องหมายหมายถึงบุคคลใดท่ไปฟังทำมาจากท่านแล้วเอ า, าเข่าแข็งใส่ทอะไรอย่างนี้แล้วทาว่านกอเลยเป็นเครื่องหมายคนนั้นเองไม่เหมือนกับคนสมัยนี้นสมัยนี้มีท่าเครื่องข็นคอตักติดเข็งอแล้วเขาว่ามัน เตอนยิงไม่ออกมีอชาฟันไม่เข้าเขาเข้าใจอย่างนั้นแต่คนจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นเปนจังหวนี้มันไม่เข้าใจเพราะเตือนยิงไม่ออกนั่นตามคนเข้าใจนะอาตมาคเคยพอย่างนี้เมื่อเขายิางกันแล้คุณจะออกไปออกไปทางเสียปืนไปใไ่ได้ท่าอันตรายมันนี้ก็สอนอย่างนี้มืท้าฟันไม่เ ข, าขา้าเขาฟันเขาแทงกันคนอยากเข้าไป เขาไปเพื่อใ้เขา จ, จัดการเรเขาจะแทนเราอันนี้ปันไม่เข้าจริงจริงแทงไม่ออกจริงจริงไม่เหมือนกัคนที่ไม่เข้าใจคนที่ทำจับกดและเหลือนขายเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาถ้าเพคิดตรงๆเขาเป็นคนหลอกลวงวะเขาหลอกลวงให้คนมันโง่เขา้าไปคนตายเนะี่เขาอาเ น, นื้อตัดสูยินกันมีแต่ผ้าเชื่อมแอนยาง มากาอันนี้มันไม่ใช่ข อ, องจริงของจร ค, คนที่โไ้ก็ต้องเชื่ออย่างนั้นแหละคนที่มีปัญญาอย่างคืออะตมาลทิ์ผมคืมอนีว่าโยจจมาโมหามาลาตะ ก, กะโทท่านพราอง์ใดมีพะปัญญาจัดูุ ข, ขจัดมนยึนคือโมหาเสียแล้วคนมีปัญญาต้องกาจัดความหลองออกไปได้สามังว่าพุโทสุขต๋มุโต แต่ว่าพระพุทยเจ้าตัดสิริแอบโดยพระอง์เองมาลิกาปาสาวิธีโมจายนโต้าเตศุอเวนังสนัตตังวิเลยยงคงเครื่องสิ้นหนุนผลอันเป็นโลยในจากดวงแห่งนา้นให้ถึงคนกระเสริมว่าอย่างโดยนี้พระเนื้อให้สุดตรนั้นเนี้ยเราก็ต้อเข้าไปดเดียวก็เอาเหรียญนะเนี่ยเอาพระนะก็ต้องคั่ให้เมื่อให้เหลีอนให้พระ ธรรมดาโยมก็เตืนอดเกนใจก็ต้องให้กระางทันมั่งไม่เป็นอย่างนั้นตัเราไม่เข้าใจนะไอนะตัวเนี้ยจึงไม่โยมเนือนมันเป็นอย่างนั้นใช่ไอันนี้เลยปัญหาที่ตัวขเราต้องทตัวของเราสร็จท่อย่าพึ่งไปอาศัยท่ภายาา น, นอกท่าภายนอกมันเป็นจุดเป็นตูนมันไม่ขนตัวการขนย้ายหรือจะไปไหนมาไหนเขาบากถ้าวางลงหลุดมือเราไปต กระแทกดินก็หักกระแตกมันมันไม่เหมือนกับที่เราให้เราเป็นพระได้อันนี้แหล ะ, ะเพื่อจะมาพูดให้คนที่สมเสียดสัเขาก็เลยจะดีไม่แรงนี่ยเขาทุก่อวันนี้คนมีปัญญาต้องรู้จั ก, จกคนที่ไม่มีปัญญาก็เอาไปเป็นของขางอันนี้เขาให้คำ น, นึงว่าคนเราไม่มีชื่อจำเปนตึ้งตือเขาต้นไม้ด้วน้องฟองบินทึ้ง เนื้อกะทังดินปั้นดินเหนียวก็เพ่งได้